126. ภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ต้องอาบัติทุลใจด้วยอาการ6อย่างคือ 1. สําสำคัญว่าไม่ใช่ของของตน 2. ไม่ใช่ถือเอาด้วยวิสาสะ 3. ไม่ใช่เป็นของขอยืม 4. ทรัพย์มีค่าน้อยราคาเกินหนึ่งมาศกหรือน้อยกว่า5มาศก 5. มีทยจิตปรากฏ 6. ภิกษุจับต้องต้องอาบัติทุกก ทำให้ไหวต้องอบัตทุกกฎทำให้เคลื่อนที่ต้องอบัดทุละใจ